พระเจ้าพระสงฆ์ส่วนมากที่มาที่นี่มากจะอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อขวนขวายหาอัดหาธรรมในสถานที่ต่างๆกันส่วนมากเป็นป่าเป็นเขาแล้วท่านก็ไล้อุตสาห์ออกมา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 มาตลอดแล้วมาสร้างวัดโสกรามขึ้นมาจนกระทั่งปรากฏเวลานี้วัดโสกรามเรากลายเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิบัติทั้งหลายมารวมกันอยู่ที่นี่นีการที่เราทั้งหลายจะได้พบได้เห็นพระเจ้าพระสงค์ซึ่เุ่งมุ่งหน้าปฏิบัติศีลธรรม มาโดยลำดับแล้วมาปรากฏองท่านในสถานที่นี้จึงเป็นบุญกุศลอันล้นพ้นของพี่น้องทั้งหลายอาทำท่านแสดงไว้ว่าสมนานันจะดัษนีการเห็นสมณะคือผู้สงบกายวาจาใจจากบาปจากกรรมทั้งหลายนั้น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 แล้วนำมาที่แก่แฉบันดาศักดิ์ทั้งหลายมีภิกษุวิสัทเป็นต้นด้วยสวากขาตาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่คือจาสด า, า, าองค์เอกทรรมก็เป็นธรรมทั้นเอกแนะนำสั่งสอนด้วยธรรมทันเอกนั่นให้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญ ได้ความรู้ความเห็นได้คติเครื่องเกือนใจจนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ตั้งแต่สมณะที่หนึง่งถึงสมณะที่สี่คืออาหัตบูโคล <c oughs> สมณะทั้งสี่ประเภทนี้ไม่ได้สูญสิ้นไปจากพุทธศาสนาของเราทั้งหลายที่เทิดทูนอยู่เวลานี้อกาลิโก การปฏิบัติบำเพ็ญของผู้มุ่งอักมู่งธรรมทั้งหลายยังมีอยู่มรรคผลนิพพานหรืออริยบุคคลทั้งสี่ประเภทหรือสัมณาสีประเภทนี้ย่อมเป็นเงาเ ท, เทียมตัวต้องได้รับมรรครับผลเป็นลำดับลำดามาจึงสมชื่อสมนาม ว, ว่าศาสดาวงเอง ไม่ใช่าศาสดาหลอกลวงโลกลวงสงสารมักผลิภานกล่าวถึงแต่หาความจริงไม่ได้อย่างนี้ไม่มีในาศาสดาของพวกเราทั้งหลายเป็นาศาสดาอเ์เอกทมอันเอกผู้ปฏิบัติธรรมตามาศาสนัธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนั้นย่อมบรรลุีสิทธิจะบรรลุธรรมไปได้ตั้งแต่กัญญาณุปุจฉ จนถึงอริยบุคคลขั้นอรหัตตบุคคลเป็นขั้นสุดยอดแห่งธรรมนี่เป็นผลเกยดขึงนได้จากพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาตึงเป็นศาสนาที่ทรงมกักทรงผลตลอดมา นับแต่ครั้งกุเการงมาจกานกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะทรงมากทรงผลแก่ผู้ปฏิบัติตลอดไปสมนามในพระธรรมว่าอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลาใดที่จะมาเป็นอุปสรรคที่ขวางหรือลบล้างได้เลยเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามศาสนาธรรมอยู่ มรรคผลนิพพานต้องเป็นแนวเทียมตัวของการปฏิบัติแห่งลายนั่นๆนจะพึงเป็นผู้ได้รับสมบัติคือธรรมสมบัตินี้เข้าครองใจโดยลำดับลำดามาด้วยเหตุนี้สาธนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงมีเป็นสาธนรารที่ ร, รที่ประกาศท้าทายต่อความจริงทั้งหลายตลอดมานี่ท่านทั้งหลายที่เป็นพระ จำนวนมากมายอุตสาหปฏิบัติตามอัตธรรมทั้งหลายก็ผึ่งสังรวมระหว่างกายวาจาใจของตนตามแนวทางแห่งศาสดาที่ทรงประกาศธรรมไม่เรียบร้อยแล้วคือภาคปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่เราบวชบวชมามีศีลด้วยกันสมาทานศีลจากอุปชา มาโดยเรียบร้อยเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วขณะพี่ไดประกาศตนเป็นผู้นี้รับศีล ร, รับศีลมาเป็นลำดับนี่ก็เป็นภาคปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติประจํากายวาจาใจของเราตลอดมาจากนั้นก็ปฏิบัติทางด้านอัดด้านทาให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นลำดับลำดา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 ให้มีสติระมัดระวังยับยั้งไว้เสมอในความที่ที่เป็นภัยต่อศีลต่อธรรมของตนกานบรบำเพ็ญธรรมก็ให้บำเพ็ญด้วยความตรงอกตรงใจเพราะหนึ่งว่ามรรคผลนิพพานนี้อยู่ตรงหน้าของเรา อยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นทางก้าเข้าสู่มรรคผลในพานเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาให้มีความสังรวมระวังภายในจิตใจด้วยความมีหิโอดตปะปัดสังรวมระวังศีลของตนอย่าให้ด่างพร้อยจะกลายเป็นพระขาดบาดขาดตาแดงไปศีลไม่ครบ องของศีลที่ประทานไว้แล้วรับมาแล้วทํามามาทําให้ด่างพร้อยขาดทะลุศูญสิ้นไปหมดเหลือแต่โมฆะภิกษุไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยยิ่งร้ายกว่าประชาชนที่เขาไม่มีศีลมีธรรมสีอกเพราะฉะนั้นจึงต้องให้ระมัดระวังรักษาศีลซึ่งเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวมของเรา แล้วสมาธิปัญญาก็พึงพากันเจริญทำตามรอยของศาสดาเพื่อมักผลผนิพพานเมื่อศีลก็บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วหาความดัดร่อนหรือเรื่อแกงสงสัยในศีลของตนอันจะก่อให้เกิดความ ด, ดอดล่อไม่มนจิตใจก็พุ่งเข้าสู่จิตตะภาวนาโดยไม่มีความละแคละขลายกับสิ่งใด ด้วยความมีสติคือการภาวนาท่านทั้ ง, งหลายผู้บำเพ็ญมายังไม่ค่อยเข้าใจก็มีอยู่มากผู้เข้าใจแล้วก็พึงทราบว่าให้เพิ่มเติมความเขา้าถกเข้าใจของตนให้สืบเนื่องไปโดยลำดับด้วยความเป็นผู้มีจิตใจใกล้ต่อจิตตภาวนาการภาวนานี้เป็น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 สัสอนจิตใจตนเองผู้ภาวนาพึงมีบทธรรมเพื่อตั้งรากฐานเบื้องตน้นย่าปล่อยวางคำบรีกรรมนี่คือผู้ฝึกเบื้องตน้นจามธรรมราของจิตชอบคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางเดินของทิเลตมาดั้งเดิมมักจะคิดอยู่เสมอจึงต้องระงับดับความคิด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 เป็นเครื่องระงับดับสิ่งบุ่นวายที่คิดปรุงอยู่เสมอจากทิเหลืนั้นให้เมื่อคมบริกรรมของเราต่อเนื่องทาความคิดความปรุงในด้านธรรมะคือคำบริกรรมแทนที่เหลือที่มันเคยคิดเคยปรุงนั้นไม่คิดให้คิดแต่เรื่องคมบริกรรมเช่นทั่งผู้ใดมีความ รักใครหรือสนิทติดใจกับคำบริกรรมใดเช่นพุโทโธบ้างธรรมโมบ้างสังโฆบ้างตลอดถึงอรปานาสติในวงกรรมฐาน40ห้องเป็นกรรมฐานที่จะระงับดับจิตใจที่ฟุ้งซ่านให้สู่ความสงบได้ด้วยคำบริกรรมทั้งนั้นให้เรานำมาบรีกรรม จิตตดต่ออยู่กับคําบริกรรมนั้นตลอดเวลาที่เรานั่งภาวนาอย่างให้เผอจิตใจมีหน้าที่อันเดียวเวลาคิดทางโลกมันก็คิดทางโลกทางธรรมเข้าแทรกไม่ได้ทีนี้เวลาคิดทางธรรมบังคับจิตใจทางทิเลตไม่ให้มันคิดในทางนั้นให้คิดเฉพาะทางธรรมคือคําบริกรรมของเรา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 ดีดดิด้นอยู่ด้วยความชิดความปรุงอันเป็นการผลักไสผลักดันของกิเลสออกทํางานเพื่อหารายได้ของมันแต่สร้างกองทุกให้เรารอยู่ตลอดมานี่คือเรื่องกิเลสทํางานบนหัวใจเราต่อจากนั้นเราก็ให้เอางานของธรรมะคือคําบริกรรมเข้าแทนที่ไปแล้วทํางานในด้านธรรมะ ปิดทางด้านความคิดโดยที่กิเลสพาชุดลากไปมีด้านธรรมะขึ้นทาหน้าที่แทนทาหน้าที่แทนไปเรื่อยๆไม่ให้กิเลสมันมีโอกาสทํางานคิดปรุงเ้วจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจนี้เป็นมิธีตั้งรากตั้งฐานแห่งความสงบในเบื้องต้น ให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าพากันทาสุ่มสี่ส่มห้านึกถึงบรีกรรมนึกถึงภาวนาเมื่อไรก็มีสติแยบหนึ่งแยบหนึ่งแล้วมานึกถึงคำบรีกรรมคำใดก็เพียงคำสองคำหายไปนอกจากนั้นมีแต่กิเลสเอาความชิดความปุ่มไปฉลุเสียทั้งวันทั้งคืนแล้วผลไหลได้ก็คือความทุกข์ความร้องภายในใจ หาหลักฐานมั่นคงภายในใจไม่ได้ทั้งๆทงี่ก็ตนก็สำคัญว่าตนเป็นนักภาวนาแต่ความจริงนักภาวนามีเพียงอย่างมากห้าเปอร์เซนเก้าสิบห้าเปอร์เซนตเป็นเรื่องของเจต้ะไปถือเสียทั้งหมดมันก็ไม่คุ้มค่ากันที่เองผู้ปฏิบัติกิจตภาวนาไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะเหตุอย่างนี้เอง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 คืออารมณ์ที่จิตใจหิวก็หายอยู่ตลอดเวลานั้นได้แก่หิวอยากดูอยากลูอยากเห็นทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีความหิวโหวยอยากสัมผัสสัมพันอยู่ตลอดเวลานี่คือความหิวโหวยของใจถ้าปล่อยให้คิดอย่างนี้จะหิวโหวยตลอดไปและสร้างผลคือความทุกข์ร้อนมาสู่จิตใจของเรา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 อยู่ด้วยความสงบเย็นใจเป็นเอกะกาตาจิตเอกะกะตาลมประจําใจของผู้มีสมาธินั่งที่ไหนมีแต่ความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในใจอารมณ์อื่นใดที่เคยรกบกวนไม่เข้ามารกบกวนจิตอยู่เย็นเป็นสุขในเอียบ ท, ทั้งสิ่ คือยืนเดินนั่งนอนด้วยความมั่นคงของใจที่มีสมาธิและอิ่มอารมณ์ตลอดเวลาจิตมีความสมาธิเต็มที่แล้วนั้นไม่อยากคิดอยากกลุ่มเรื่องอะไรเพราะเป็นเรื่องก่อกวดแต่ก่อนเราหิวโหวยกับอารมณ์นั้นๆถ้าไม่ได้คิดได้กลุ่มไม่ได้ดิ้นดนกวนกระวายอยากคิดอยากกลุ้มไม่แล้วไม่ เลิกกานตักี้สร้างแต่กองทุกมาให้ตัวเองทีงนี้เมื่อเวลาจิตเป็นสมาธิแล้วจะอิ่มอารมณ์ความคิดความปรุงทั้งหลายหมูนตัวอยู่กับเอาความเย็นความแน่นหนามั่นคงของใจเป็นเอะกกคตาจิตเอะกะตาลมประจําใจความรู้เพียงจิตได้ดิ่งลงสู่สมาธินี่เท่านั้นก็ปรากฏว่าเป็นทิภาภูมใจ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 นักบําเพ็ญทั้งหลายติดได้ไม่สงสัยเพราะเป็นรสชาติแห่งธรรมผิดกันกับรสชาติของโลกเป็นไหนๆเรื่องของโลกเป็นรสชาติของทิเลสผิดขึ้นมากินแล้วมีเบื่อหน่ายอันนี้อยากอันนั้นกินอันนั้นดื่มอันนั้นเบื่อหน่ายนั้นมาดื่มอันนี้เบื่อหน่ายคิดเรื่องนั้นเบื่อหน่ายนั้นมาคิดเรื่องไหน มีเรื่องของอารมณ์ของพิเลสถ้ารถก็เป็นอารมณ์ของพิเลสมีความลื่นเริ ง, รง ท, ทั่วคู่ทั่วยามแล้วเอาไฟเข้ามาเผาในฉากหลังนั่นแหละนี่คืออารมณ์ของพิเลสแต่อารมณ์ของธรรมอยู่ด้วยความดื่ดื่มแห่งความสงบเย็นใจนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสบายหมดท่านผู้ทรงสมาธิธรรม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 จากนั้นก็ก้าวเดินทางด้านปัญญาพิจนาตามทางของศาสด า, า, าที่ประทานให้แล้วซึ่งเรารับมาตั้งแต่วันบวชท่านสอนว่าเกษาลวมานขาทันตาตะโจ <c oughs> เกษาคือผมผมเป็นยังไงผมขนเดาทั้งหญิงทั้งชายตลอดถึงผมหูผมหมาผมเป็ดผมไก่ผมวัวผมควายเรียกว่าขนไปเลยมันก็ผม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 ถึงต้องไปติดไปพันกับมันดีไม่ดียอมเล็บย้อมเล็กตัดเหล็บยอมเล็บให้สวยงามมันจะสวยอะไรภาษาเล็บถ้าไม่เป็นบ้าแล้วจะไปตกแต่งมันนะชะล่างให้มันพออยู่ได้ไปได้ทั้งเขาทั้งเหลา่าฉะนั้นก็พอํำเป็นอะไรจะต้องมาตกแต่งมาชมาล่างมาประดับประดราภาษาเล็บนั่นปัญญาให้พิจารณานั้น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 ข้อเท้าว่าไปตามธรรมดาแต่กระดูกนี้เรียกว่ากระดูกฝันเอามาบดเจียวอาหารมันก็คือกระดูกนั่นเองนี่ให้พิจเจรนาที่นี่กระดูกนี้มันสกรปรกหรือหรือมันสะอาดดูที่ตื่นขึ้นมาแล้วล้างปากล้างฟันล้างเอาซะจนกระทั่งเลยเถิดเลยแดนมีอะไรมาเอามาเป็นความสะอาดล้างปากล้างฟันยาถูฟัน น้ำยาน้ำอะไรมาชะมาล้างฝันให้มันสดสวยงดงามไปแบบเกล็ไปเสียมันับมันก็กลายปเป็นเกล็ดไปได้ทั้งทั้ที่กระดูกทั้งๆั้งที่ฟันมันมีอยู่ด้วยกันหมดมันไม่ได้ติดใครแต่คนที่ว่าตัวนักรู่คือใจนี้แหละไปหลงเขาญาพิจนาจากฟันแล้วก็นหนังเอาที่นี่ <c oughs> นี่วางพื้นฐานยอ่ยอๆไว้สาหรับท่านทั้งหลาย <c oughs> ที่นักปฏิบัต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 มาตกแต่งผิวมันเพียงบางๆเท่านั้นไม่ได้หนาเท่าใบลางเลยนะคนทั้งคนนี้มีเครื่องหลอกตาให้หลงได้ถนักชัดเจนก็คือผิวหนังนี่เท่านั้นจิงประดับประดาตกแต่งทุกอย่างที่จะทำให้หลงหนักเข้าไปทีนี่เราพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องหนังพิจารณาหนังภายนอกเป็นผิวบางๆหลอกคนพภิกเข้าไปภายในดูหนังภายใน จากนั้นจะดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกตับไตไส้พุงในร่างกายของเหล่านี้เหมือนคืออะไรนี่คือปัญญาจะพิจารณาเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดว่าเป็นของสวยของงามให้ลงนั้นสู่ความจริงความจริงก็คือว่าหนังก็สักแต่ว่าเครื่องหุ้มห่ออวัยวะที่สกรปรกโสมหมนี่เท่านั้นไม่ใช่หุ้ม หุ้มหอหอปร า, าสาท ร, ราชมนเจียนอะไรหุ้มหอซากผีดิบไว้ให้พอดูได้ด้วยกันที่เป็นจัดเป็นมนุษย์อยู่ร่วมกันเท่านั้นเงมีหนังหุ้มหอเอาไว้แล้วชาล้างถึงชาล้างขนาดนั้นหนังก็ไม่พ้นดีจะแสดงออกมาขี้เหงื่อขี้ใครซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของสะกะปรกสมม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 แต่ว่าเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอา้านพอคนเข้าไปอยู่ที่ใดอืมนําสิ่งเหล่านี้เข้ามาค้าขายกับขนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งเครื่องผอมมาค้าขายกับขนกลายเป็นของสโครกประจำตามกันหมดแม้สิ่งเหล่านั้นจะสะาก็เพราะว่าร่างกายนี้หาความสะอาดไม่ได้ต้อง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 นี่มันทำไมมันถึงติดถึงพันนักติดใจอันนี้แกะไม่ออกหนึ่งไม่ออกไม่มีหน้ำซ้ำยังส่งเสริมให้ติดแน่นเข้าไปอีกนี่หลังเนื้อเอ็นก็ดูแล้วดูเข้าไปในตับไตไส้ผูของคนแต่ละคนมีแต่ส่วนแต่ฐานเต็มผูงด้วยกันทั้งนั้นแหละเราออกมาดูกันได้เวลานี้ก็เพราะเอาสิ่งที่พอดูได้มาปิดบังไว้นี้มีหุ้มอ้อ และปกปิดกำบังไม้ด้วยการนุ่งการห่มซักพอกไว้เรียบร้อยมาพบกันเข้าก็พอน่าดูหน้าชมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราเท่านั้นเองหลักความจริงคือธรรมชาติเดิมของมันนั้นหาความข้าสะอาดไม่ได้นี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะอย่างนี้แล้วพิจารณาแล้ว ในเรื่องนี่ตรงกระทั่งถึงตับไตใส่ภูมิอาหารเก่าอาหารใหม่ถึงซ่วมถึงฐานในภูมิของเราดูแล้ว th ok th ลทววบทวนหลายครั้งหลายหนดูเพ่งเร็งด้วยสติด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหนตรงกระทั่งสติปัญญามีความค่องแคล่วแกราดูอายวะของตัวนั่นเองเหมือนที่แรกก็เหมือนกันกับเราฝึกขัดเขียนหนังสือทั้งเขียนท่ามโละละเกลละกะ เขียนแล้วลบเล่าเพราะเขียนไม่ชํานาญมันก็ไม่ถูกตัวและเลอะเทอะที่นี้เวลาฝึกหัดเขียนไปไหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาอ่านก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเมื่อเวลามีความชํานาญในการฉีดเขียนแล้วอพร้อมองดูพับตอนนี้มันก็รู้เขียนกบเขียนหวัดไปเลยนะเี่ย เพราะความจำนานของการเขียนอ่านก็แบบเดียวกันอ่านวัดไปเลยนี่คือความจำนานการพิจนาทางด้านปัญญาที่แลกก็ถูถไปมาล้มลุกคุกคานเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี่ซึ่งเป็นหินรับปัญญาผมขนลับบันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกอย่างเป็นหินรับปัญญา ปัญญาจะคมกราขึ้นด้วยการพิจารณาสิ่งอนนี้ซ้ำๆ ซ, ซากๆจิตใจก็จะมีความสว่างสวยและคล่องตัวขึ้นมาเป็ น, นำลำดับนี้หละหลักฐานเบื้องต้นที่จะเปิดทางเพื่อมรรคผลมิพานให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือส่วนร่างกายนี้แหละที่มันปกปิดกำ บ, บงังภูเขาทั้งลูกเป็นหนานแน่นยิ่งกว่า อวัยวะภายในตัวของเราทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายมันปกปิดกำบังไว้หมดหญิงเห็นชายก็หลงชายแห็นหญิงก็หลงเพราะนี่แหะมันหนายิ่งกว่าภูเขาจั้งลูกจึงเปิดทําลายภูเขาลูกนี้คือภูเขาภูเรานี้ออกเป็นด้วยปัญญาให้เห็นอย่าง แ, งแงาจ่มแจ้งชัดเจนโจนกระทั่งสติปัญญาคลองแค้ ว, แ, วแกวกาแยก ถ้าแยกขันออกไปเป็นดินน้ำเป็นลมเป็นไฟแยกลงไปเป็นอนิจจ์แปรสภาพทุกขังบีบบี้สีไฟตลอดเวลาอนัตตาหาความเป็นของสัตว์เป็นสัตว์เป็นบุคคลของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ทั้งทั้งตัวโลกยึดถือกันตลอดมาก็เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นของใครนี่แยกออกเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาและผิวหนาซ้าซ้ำสากสาก ด้วยการดําเนินปัญญาทีนี้เมื่อเวลาพิจารณาปัญญามากเข้ามากเข้าจิตใจมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าย้อนเข้ามาสู่สมาธิเสียย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิมั่มเพนตางสมาธิคือจิตใจทําให้สงบอารมณ์หยุดทางด้านปัญญาไม่ต้องคิดต้องผูกมุ่งหน้าต่อสมาธิด้วยความสงบใจหรืออารมณ์บริกรรมแห่งธรรมนี้เท่านั้น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 ความเบาบางเบาบางแผ่วเทาวขึ้นเป็นลําดับครับเพราะสิ่งเหล่านี้ปกปิดมันแต่ก่อนพอปัญญาเปิดออกเปิดขอจิตจะมีความสว่างสวยเบาเนื้อเบากายด้วยไม่เชรียดแต่เบาใจนะเบาเนื้อเบากายคือที่ปิดมายึดเรื่องกายมันก็นหนักทีนี้จิตใจค่อยถอนลงไปถอนลงไปอะไรก็กลายเป็นเบาร่างกายไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็กลายเป็นเบาเพราะเนื่องจากเจ้าของเป็นผู้ยึดนี่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 จะรวดเร็วเท่าควาเป็นอสุภะเพิ่มเดี๋ยวเป็นอสุภะหมดทั้งลางทั้งเขาทั้งเหล่านั้นพิจารณาซ้ําแล้วซ้าเหล่าจนเป็นที่พอใจแล้วจิตใจของเรามีความแน่นหนามัน่นคงเอาทดสอบดูการพริจารณาอสุภะอสุภนนังนี้สิ่งเป็นพื้นฐานควรแต่การที่จะถอดถอนการมาิเลืได้แล้วมันด้วยการพริจารณาร่างกายนี้ช่ำชองแล้วให้กําหนด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 อจุปาอนนี้กาหนดขึ้นให้เป็นอจุปะจะเป็นถท่านั่งก็ได้ท่านอนก็ได้ให้เป็นภาพอจุปะปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเราจิตใจเราเพ่งปัญญาต่อเข้าไปตรงนั้นแล้วแต่ไม่ให้ทำลายเอาทติจดจ่อไว้ไม่ภาพนี้มันเคลื่อนย้ายไปที่ไหนอา้ามันจะไปตรงไหนมาที่ไหนถ้ามันยังไม่พ อ, อากาหนดดูอยู่มันจะไม่เคลื่อนไหวไปที่ไหน ถ้าการพาิจารณาอริยภาพอยู่ฝังยังไม่พอปัญญายังไม่พอที่จะปล่อยวางมันได้กำหนดอรุภาพอยูาอา่ปังให้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแลากำหนดนานเท่าไหร่มันก็อยู่ที่นั่นนานนี่แสดงว่ายังไม่พอกับความต้องการเอาที่นี้ขยายออกอยู่พิจารณาอย่างเต่านั่นแหละให้มีความจำเนี้ยจำนานเข้าไปเอามาตั้งอีนี่เป็นการทดสอบตัวเองเพื่อเอาความจัดความจริงตัดสินตนเอง ในเรื่องทิเลตันหาคือการมาราคานั่นแหละเป็นตัวสําคัญเพราะตัวนี้มันพิลึกพิลัน่นทั้งหญิงทั้งชายสัตว์บุคคลทั่วโลกติดอันนี้กันทั้งนั้นเพราะไม่มีใครมาบอกมาสอนแม้แต่พระเรายิ่งติดมากยิ่งกว่าคารวาดก็มีเยอะเพราะไม่สนใจในธรรมก็หมุนปิ้วไปกับทิ่เลตันหาก็กลายเป็นความพลุงพลังสร้างแต่ความเจ้าท่ากลุ่มมาในหัวใจของตกตันแหละนี่ แล้วให้พิจารณาถึงอสุภะอสุปังนี่ให้เต็มที่กําหนดให้ตั้งอยู่ยังไงเอาตั้งกําหนดให้ทําลายเมื่อใดเอาให้ทําลายให้รวดเร็วเทลาไก็รวดเร็วนี่เมื่อมันทํางานอย่างแล้วแล้วกําหนดมาตั้งไว้ที่หน้าของเหล่านี่ยนัเอาทีนี้เอาความจริงจะดูความเคลื่อนไหวของอสุภานี่มันจะเคลื่อนไหวไปไหนเราจะหาความจริงจากจุดนี้คือจุดนี้เป็นจุดที่เรา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 อันนี้จะแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนเมื่อพอแล้วนะเมื่อพอแล้วธรรมชาตินี้จะหมุนเข้าไปสู่จิตใจของเราเองจะหมุนเข้ามาโดยที่เราแม่ค้ะอันนี้พูดจำบากนะผมเองก็ไม่อยากจะพูดมันมันจะเป็นเรื่องค่าเดิงหมายของผู้บำเพ็ญพราะสัญญาลมนี้ละเอียดมากไปค่าเกาเสียว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังที่ท่านสอนเสียจึงไม่อยากจะพูด บอกแต่อย่างนี้ให้เป็นเครื่องตัดสินตนเองเอาพิจรณาอสุภะตัวนี้ให้ตีอ่มันจะเคลื่อนด้ายไปไหนเวลานั้นจะไม่ทํำลายเอามันเป็นยังไงนี่แหละพิจารณาปัญญาให้ถึงฐานแห่งตามมาเกเรเอาดูตวัวนี้เวลามันพอแล้วมันจะบอกเองะอสุภะตวัวนี้คือเราไม่ทําลายตั้งไว้นั้นแหละเอามันจะไปไหนให้อยู่ในปัจจุบันของนี่แหละมันจะไปไหน นี่แหละเราจะไม่บอกในระยะจากนั้นไปให้เป็นเครื่องตัดสินของท่านผู้บำเพ็ญธรรมะท่านนี้เองนี่เนื้อจากนั้นแล้วน่าจะผ่านคั้นนี้เข้าไปแล้วมันบอกเองเรื่องการมาเที่ยเรื่องตัดสินมันจะบอกเองในตัวเองนี่จุดนี้เป็นจุดที่จ ะ, จะตัดสินการมาราคะตัดสินได้โดยไม่ต้องไปถามผู้ใดเลย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 อาสุภาพหลงหรืกอกิจใจเราหลงมันจะตัดสินขึ้นมาในที่นั่นเองนี่เป็นจุดสำคัญเราถึงไม่บอกจุดนี้บอกแต่ต้นเหตุเปิดประตูใ ห, ให้ให้เข้าเองนะเปิดประตูด้วยใสก็ไปด้วยมันเกินไปหลับครอบครอกตั้งแต่ยังไม่เข้าไปในห้องก็ได้นี่นะเพราะงั้นถึงไม่บอกถ้าบอกมันจะค่าจมหมายไปก่อนเทีแล้วเป็นความสำคัญขึ้นมาไม่ถูก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 ในข่านี้ให้จนได้นี้แหละที่นี่พอได้ที่แล้วก็ฝึกซ้อมเรื่อยจิตใจจะละเอียดเข้าไปเรื่อยในภาคเหล่านี้ก็จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่แหละ <c oughs> พระอนาคามีท่านจริงไม่ลงมารกฎีคือการมกิเลส น, นี่เป็นตัวสําคัญมีแต่ดึงลงดึงลงท่าเดียวหมุนลงท่าเดียวให้สัตว์ตั้งหลายได้รับความทุกข์ครามากเพราะกดเพราะถ่วงบีบบีบสีไปอย่างลึกลับ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 พระอนาคามีนั้นเมื่อบันลุถึงท่านอนาคามีแล้วท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกคือจิตดวงนี้จะไม่ถูกกด่วงดึงลงเหมือนแต่ก่อนเมื่อที่มีการมราคะผูกพันอยู่พอกรรมราคะทีหลักใหญ่ของกามราคะขาดลงไปแล้วเรียกว่าสอบได้แล้ว5้าสิบเปเซ็น นี่นี่หมายถึงฐานะของเราผู้เป็นนัยยะผู้ได้รู้ชา้ารู้เร็วนี่สึงบอกลาดับลำดาไวอ <c oughs> นี้พอ <c oughs> ได้รู้ชัดเจนนี่แล้วจิตใจนี้จะไม่หมุนลงนะไม่มีอะไรมาดึงใจนี้ลงมีกามมิเลศเท่านั้นดึงลงดึงลงตลอดเวลาพอวิเลศขาดออกไปในขั้นนี้แล้วจิตจะค่อยหมุนขึ้นเป็นลำดับพิจารณา ฝึกซ้อมจิตใจดวงนี้แหละด้วยอสุพะดังที่เคยปฏิบัติมานั้นจิตใจจะละเอียดลงไปละเอียดจนไปแล้วความหมุนตัวขึ้นได้เรื่อยๆหมุนขึ้นไปเรื่อยแล้วละเอียดขึ้นเรื่อยนี่แหละพระอนาคามีที่ท่านไม่กลับมาเกวเ ด, ด็กก็คือมีกามวิเิยะอันเดียวดฉะนั้นดึงลงมาสู่นรกอเวกีได้เพราะกามวิริยะทีนี้พอนี่ขาดลงไปแล้วจิตใจจะ เบาลงไปเบาลงไปเบาจนกระทั่งเบาบี๋วเบาบี๋กํา ห, าหนดภาพกําหนดภาพซักข้อตัวเองซักข้อตัวเองในส่วนที่เป็นมวลทินอันละเอียดติดแนบอยู่กับจิตซึ่งอยู่ในขั้นอนาคามีที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ทิ่งเหล่านี้ความมนลทินเหล่านี้จะค่อยกระจายละเอียดลงไปเรื่อยดไปด้วยการฝึกซ้อมของเราฝึกซ้อมเราเพลีพลยเข้าไปเท่าไหร่จิตยิ่งหมุนสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่ท่านเทียบไว้ใน <c oughs> สุทธาวาส้าชั้นนั่นนะอวิหาอตตปาสุทศัศสาสุทศัศศีอคินษา <c oughs> นี่แหละระดับของพระอนาคามีพอได้ระดับเบื้องต้นที่ว่าสอบไล่ได้แล้วหากว่าตายก็จะไปเกิดใน <c oughs> นี่อ่ะอวิหา แล้วเลื่อนไปอตัตปาแล้วเยียดเข้าไปกัตุทัตสาและวเหยียดเข้าไปชุทัตสีอแล้วเยีกเข้าไปทั้งทั้งที่ยังไม่ตายก็รูเป็นลำดับแล้วเหยียดเข้าไปเต็มแล้วกับขึ้นอคกนิถานี่เป็นชั้นที่ห้าของสุทาวาทหาชั้นพอจากชั้นนี้แล้วก็ดิดถึงก้าวเข้าสู่นิพพานเพราะฉะนั้นพภาณาคามีเมื่อสําเร็จ เป็นท่านนาคามีแล้วท่านจะไม่กลับมาเดีท่านจะถ้าวักเกิดก็ไปเกิดนาวิหากับปาเสือสาวุศีเลื่อยไปแล้วพร้อมที่จะไม่กลับคืนมาไปจนกรทั่งทะลุพญิพานไปเลยนี่ภาคปฏิบัติขอให้พระลูกพาหลานทั้งหลายจำเอาไว้พิจนารณาอย่างที่ว่าวันนี้จําให้ดีด้วยจ้ะจำไม่ดีภาคปัญญาที่ออกการ พิจารณาทางด้านปัญญานี้เรต้องพิจารณาให้เต็มเม็ดเต็ม่วยถึงการเวลาพิจารณาเวลาที่จะเข้ามาพักสมาธิมีความสงบคือเพื่อเอากาลังหนุนทางด้านปัญญาเราก็เข้ามาพักสมาธิคือความสงบใจเสียอย่าไปกังวลกับความคิดอ่านใจตรองเรื่องปัญญาเลยให้อยู่กับความสงบ สงบได้ดีเท่าไหร่ยิ่งเป็นของดีอยู่ตรงนี้พอจิตยิ่มพอในความสงบแล้วพอถอยออกมาฉะนั้นทีนี้เอาพิี่ณาทางด้านปัญญาย่ายุ่งกับทางสมาธิปล่อยไปเลยสมาธิเหมือนเป็นคนละโลกในขณะนั้นให้ก้าวเดินทางด้านปัญญาเมื่อเน็ดเหนื่อยเมื่อล้าแล้วก็ถอยมาพักสมาธินี่เป็นการก้าวเดินอย่างราบรื่นดีงามของผู้ปฏิบัติทั้งหลาย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 ตามธรรมดาของในยะอยู่กลางกลางในของคนเราธรรมดาไม่ได้กล่าวถึงพวกอุคติแต่อยู่วิปปิจันยูซึ่งรวดเร็วมันพอถึงปัาบนันพุ่งเลยอนาต อ, อ, อ, อ, อ, อาวิหาตปา่พุ่งทะลุถึงกันอานาคาวีถึงนิพพานเลยนี่เป็นประเภทหนึ่งไม่ได้นับเข้ามานี้ นี่ส่วนมากนักปฏิบัติของเรามาักจะก้าวเดินไปตามนี้เพราะเป็นการบำเพ็ญของผู้ที่อยู่ในถ้ากลางยากลําบากช้าก็ช้ า, ชาแต่ถึงหนี่เป็นอย่างนี้นะแต่ผู้ที่รวดเร็วนั้นพอบารารู้ปึงป๋งปงึถึงที่สุดเลยนี่เรียกว่าปุคติกันอยู่ผู้เรียกว่าคิด ป, ปาผิญญาผู้รู้ได้เร็วต่างกันอย่างนี้แต่ให้แยกได้เอานะ นีการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องกิเลสการมาลาคานี้หุนแรงมากหนักมากที่สุดท่วงจิตใจมากที่เดียวไม่ว่าหญิงว่าชายเต็มตะเพียงไม่พูดถึงกันเรานํามาพูดเฉพาะนักบวชที่เป็นผู้จะเสียสละสิ่งเหล่านี้แล้วนํามาแก้ไขายแตแปลงกันตึงการแก้ไขถอดถอนกันจึงรู้สึกว่าอันนี้ยากยากจริงจรงมัน ให้เวลาเข้าเข้าถึงเข้าขั้นนี้ที่จะปล่อยวางที่จะสําเร็จเป็นขั้นที่สามคืออนาคานี้ได้นะต้องเป็นนักมวยก็เรียกว่านักมวยชุนลมุนไปก่อยกันอยู่วงในหมุนติ้วตที่อยู่วงในคือสติปัญญาขั้นนี้ขั้นหมุนตัวติ้วติ้วอยู่กับอาตุพะอาตุพัง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 พอจากนั้นกันเป็นสติปัญญาอาัตโนมัติอันนี้หมุนตัวเป็นเตียวไปเลยเพื่อพร้อมทุกเนีปรหนึ่งวั น, นิพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมแล้วจากนี้ไปพอถึงขั้นอนาคาแล้วเหมือนจะว่ามองเห็นพระนิพานอยู่ข้างหน้าข้างหน้าอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมแล้วนี่ความเห็นโทษของวิเศษทั้งหลายนี้จะเห็นอย่างเต็มใจเต็มใจเห็นอย่างถึงใจถึงใจความเห็นคุณ ของการุดทนก็มีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นท่านถึงได้หมุนตัวเป็นอัตโนมัติของสติปัญญายับรอไม่ได้เลยหมุนที่ิ้วติ้่นี่สติปัญญาอัตนมัตินี่คือสติปัญญาแก้กิเลสข่ากิเลสเป็นอัตโนมัติไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเนี่ยเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นนอนขึ้นมาสติปัญญานี้จะจับงานอัตโนมัติของตัวแล้วเป็นลาดับลาดับ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 อยู่ที่ไหนแก้ตลอดแก้ตลอดไม่มีความว่างพักยิงต้องย้อนติอัตโนมัติสติปัญญาตโมัตินี่เท่าสูงสมาธิคือความสงบไม่เช่นรั้นจะไม่อยู่ต่เลิดเปิดเปิ ด, ปดมันจะเลยเถิดนี่ท่านก็สอนให้ย้อนเข้ามาถึงจะเป็นการแก้เกลียดด้วยความเพลินใจก็ถามเมื่อกำลังบังชาไม่พอมันก็นเหมือนมีดของเหล่านี้มันไม่คมฟันไป อะไรมันก็ไม่ขาดง่ายๆทีนี้ถอยมาเหมือนมาม า, มาลับหินได้แก่เข้าสู่สมาธิหรือนอนพักหลับเียเมื่อพักหลับแล้วก็เป็นกําลังอันหนึ่งทางธาตุทางขันพักอิกเข้าสู่สมาธิเป็นกําลังอันหนึ่งทางจิตใจและธาตขันก็ได้กําลังมันหนุนอันนี้อีกนี่ก้าวเดินต่อไปอีกนี่ฟังให้ดีนะมันดาท่านทั้งหลายวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่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 เพียงท่าน ส, สติปัญญาอตโนมัตินี่ก็ไม่มีเผอแล้วล่ะเผลอจิตจะเผอสติสตางเผอไม่มีแล้วอพอก้าวเข้าสู่มหาสติปัญญานอกจากไม่เผอแล้วยังละเลอียดแล้วซึมซาบไปหมดเลยสติปัญญาอตโนมัตินี่ยังยังเป็นขื่นเป็นคื่นถ้าทำงานก็เหือเหมือนเขาฟักลาบยาลาบ ถึงจะยำขียิบขนาดไหนมันก็เป็นพื้นแห่งการยำราบอยู่นั่นแหละที่นี้พอก้าวจากะ ส, ะสติปัญญาจิตมัณนี่ก้าวเข้าไปสู่มหาสติมหาปัญญาที่นี่ลาบลื่นไปเลยซึมซาบข่าทกิเลย ก, ก็ซึมซาบอะไรซึมซาบทั้งหมดนี่ไปตามๆกันนี่ที่เรียกว่ามหาสติมปัญญาให้มันคลองในหัวใจของเราสิ ทำมาวยเจ้าซอสสดละร้อนสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่อผู้ว่าจะอธิบัติคือพวกเดาเองนี่ละที่เยียหวะมหาสีมัจมญาที่การพิญญาสติปัญญาตนุมัติก็ถือเอาขั้นอนาคานิอารมณ์ของอนาคานิมิตของอนาคานี่ฝึกซ้อมจนจำเนจรจำนานแล้วกลเป็นว่างไปหมดนะนี่สิ่งนั้หมดนิมิตที่เกี่ยวกับจิตซึ่งเรามาตั้งฝึกซ้อมนี่หมดไปหมดไปหมดเร้วเขาเดี๋ยวก็สุดท้ายหมด ตั้งขึ้นพับดับพร้อมดับพร้อมเหมือนฟ้าแลบฟ้าแลบต่อไปอย่างนั้นไม่มีไม่มีจะเป็นอะไรที่นี่นะมันจิตมันว่างไปหมดแล้วนะจากนั้นก็พลิกมันหนักเป็นเองสิ่งที่มีเงื่อนต่อันนี้เหมือนกับไฟได้เชือ้อเชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปตามเชือ้อโดยไม่บังคับอันนะขอให้มีเชื้อไฟเถอะไฟจะลุกลามไปตามอันนี้ขอให้มีเชือเ้อวิเลษอยู่ที่ตรงไหน สติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับไฟความภาคความเพียรเหมือนกับไฟจําหมุนเข้าไปพิจารณาเชิญเวทนาสัญญาสร้างฐานเหญญาณนี่ที่นี่เวทนาก็ก็ถือเวทนาทางกายบ้างถือเวทนาทางจิตส่วนมากจะเป็นเวทนาทางจิตนะทางกายผ่านไปแล้วไม่ค่อยสนใจนี่สัญญาสร้างฐานเห็นอาณมักจะมีแต่สุขเวทนาภายใน จ, ใจิตใจทุกขเวทนามีแต่ว่าน้อยน้อยลงไปโดยลำดับสุขเวทนานั้นเด่นเด่น นี่ก็อยู่ในขั้นสมมูลสัญญาสังขารนิยามเฉพาะอย่างยิ่งคือสังขารพอปรุงแคบพอปรุงแคบปรุงมาจากไหนปรุงมาจากใจดับไปดับไปไหนมาจากใจสัญญาหมายปั๊บมาจากไหนทัตติปัญญานี้จะหมุนตามหมุนตามทันทีโดยหลักธรรมชาติแล้วสุดท้ายมันก็หมุนออกออกจากใจหมุนเข้ามาก็หมุนเข้ามาสู่ใจติดตามเข้าไป หาพระราษฎรวังหลวงคืออวิชาปัจยาสร้างท่าลาได้แจกกษัตริย์วัตจักรอยู่ในถ้ากลางนี่นี่ยอวิชานี่เป็นกําแพง <c oughs> ล้อมเอาไว้ตัวอวิชายอยู่ในกําแพงเพรา ะ, ะนั้นจึงติดตามเหล่านี้เข้าไปติดตามมานี่เข้าไปเรื่อยฝึกซ้อมกันเรื่อยพอมันเข้าใจเข้าใจหลายครั้งหลายหนเข้าใจเรื่อยๆ เ, เข้าไปก็ตามเข้าไปถึงอวิชาปัจยาสร้างท่าลา ตายเป็นปัจจัยาการขึ้นมาภายในจิตดวงนั้นนั่นน่ะเดียวอริยสัจสี่เป็นเต็มตัวแล้วเข้าไปนั้นเนี่ยจิตมันตางขบายหลายครั้งผมก็ไปเห็นต้นตออันใหญ่หลวงคืออวิชชาปัญญาซึ่งเป็นกษัตริย์วัฏจักรภายในหัวใจของเราเพราะสิ่งอื่นมันต่อยหมดแล้วจิตใจว่างไปหมดเนี่ยทั้งๆ ท, ที่จิตก็ยังไม่ว่างตัวเองแต่ สิ่งภายนอกทั้งหลายมันว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุต่างๆนี่ว่างไปหมดไม่มีในจิตใจจิตใจตายเป็นความว่างไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ภายในตัวเองยังไม่ว่างนั่นเ <c oughs> นี่ยให้อ่านให้มันถึงอย่างนั้นที่นักปฏิบัติให้ถึงตัวอะไรยังไม่ว่างก็อ ว, วิชาปัฏิยาสั้างทารายังสําคัญว่าอนั้นว่างนี้บ้างตัวเองลืมตัวเองตัวเอ ง, เองยังไม่ว่างนั้น้ย้อนเข้ามา จนกรทั่งได้ถึงตัวจริงของอวิชชานี่พูดเป็นแนวทางให้พระลูกระหลานทั้งหลายฟังเพื่อจะยึดนะนี่ถอดออกมาจากความจริงจากาภาคปฏิบัติของตัวเองมาเล่าให้บรรดาลูกหลานฟังแล้วก็ให้พิจารณา ย, ย้อนหน้าหลังทั้งมันก็เข้าถึงจิตตะอวิชชาเนี่ออวิชชาครอบงําจิตเอาไว้ในโลกวนี้มีแต่อวิชชาครอบอยู่ฉะนั้นพอเปิดอันนี้ไปจิตมันก็จ้าขึ้นมา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 จิตอันนี้ว่างวัคคามาว่าว่า ง, างจากสมมติทั้งหมดไม่มีอะไรเลยเหลือติ่วิบูติธรรมที่เป็นหลักธรมธรมชาติแท้นิรจิตเข้าถึงธรรมชาติแท้คือจิตนี้เป็นธรรมธาตุเป็นมหานิมุตติเป็นมหานิพพานเป็นธรรมธ า, ม า, ม า, ต, าตุเป็นอมรเป็นอมตจิตเป็นอมตะธรรมสมกับว่าจิตนี้ไม่เคยตายจิตนี่ไม่เคยตายที่สุดแห่งความไม่เคยตายของจิตคืออะไร คือธรรมธาตุจิตถึงมุดหลุดพน้นเรียกว่าถึงธรรมธาตุแล้วที่หายสงสัยว่าจิตตรงนี้ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันเราหายสงสัย100ร้อยเปอร์นต์ว่าล้านเปอร์เซนต์นี่แหละให้ท่านทั้งหลายเดินซาผู้ปฏิบัติทั้งหลายทั้งพระทั้งประชาชนอย่ามามัวเกาหมัดอยู่ว่าเจ้าของเกิดตายมากี่กัดกี่กันแล้วก็มาตื่นเงาเจ้าของหลงเงาเจ้าของว่าเกิด ตายแล้วสูงตายแล้วสูนนี่ล่ะมันสูนได้ยังไงมันลงปนรกไปเวทีมากี่กับกี่กันทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นมันก็ไม่สูนนั่นเองยอมรับทรมทนทุกข์ทรมานพอบาปกรรมค่อยจางไปยังไปจากนรกหลุมนั้นเลื่อนมาหลุมนี้แล้วจิตใจก็เป็นจิตเอื้องนั่นแหะรับความทุกข์ความทรมานน้อยหลงน้อยหลงตามอำนาจแห่งกรรมของตน ที่เบาลงเบาลงแล้วถอยขึ้นมาเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อะไรมันก็จิตดวงนี้แหละไปเกิดอยู่ตลอดเวลาตามหน้าแทงตํำหนักเบามากน้อยเลื่อยไปเลื่อยไปจนมาเป็นผู้เป็นคนอย่างนี้เราอย่างเรานี่แหละนี่เราก็มาจากจิตดวงที่ไม่เคยตายกันแหละมาอยู่นี้อาตาจากนี้แล้วก็จะไปเกิดอยู่นะทีนี้ความไปเกิดของจิตดวงนี้จะไปเกิดที่ไหน แล้วได้ความแน่นอนแล้วอย่างนี่ถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วแน่นอนเป็นลําดับกังที่กล่าวนี้จากภาคปฏิบัติจะแน่นอนเป็นลําดับลำดาไปเลยเพราะว่ายังเช่นว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละที่สุดแห่งสมมุติทั้งหลายจะไปสุดทิ้งที่ตรงนั้นวิมุตถางขึ้นมาแล้วจิตบริสุทธิ์ไม่มีสมมุติแม้นิดหนึ่งปรากฏเลยจิตดวงที่บริสุทธิ์จิตดวงที่เคยเกิดเคยตายมาเหมือนกับ ศักด์ตั้งหลายโทษแดนโลกธานนี่ขาดสะบัดลงไปในขณะที่จ <c oughs> ิตตาวิชาขาดลงไปจากใจจิตคล่องมีมุิหลุดพ้นไม่มีสมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้น จ, จิตของพระพุ <c oughs> ทธเจ้าจิตของพระราหันท่านจะไม่เคยมีถูกตั้งแต่ขณะท่านตัดสรุธรรมหรือบัณฑุธรรมขึ้นมาเป็นพระาราหันในเวลานั้นแล้วจากนั้นไปเป็นอนันตา ก, การตั้งตับตั้งกันเนี่ยว่าเที่ยง ท่านไม่เคยมีทุกข์กเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งแต่ขนาดท่านจัดจารุธรรมขามัจจจาจรุคือสังหารพิเลตตัวเป็นเจ้าเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อยพิเลตนีมากมีน้อยสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อยให้รับความลมบากลำบนมากน้อยพอพิเลตนี้ขาดซึ่งเป็นตัวสร้างทุกข์นี้ขาดก็บ้นลงไปจากจิตใจแล้วไม่มีสมมุติในใจเลยแล้วทุกข์ก็ไม่มีพิเลสไม่มีความทุกข์ก็ไม่มี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 แต่มันไม่เข้าถึงจิตท่านก็รู้อยู่แล้วว่าหิวนั้นหายนี่เจ็บตรงนั้นตรวดตรงนี้รู้เฉยจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยาหากเป็นหลักธรรมชาติเป็นอากานะหรือว่าเป็นคนเราฟังแล้วนี่สิ่งที่ท่านรับทราบจะไม่ใช่ท่ท่านรับทุกจากกานะัน่ะท่านรับทราบจากกันที่แสดงตัว อย่างความคิดความตรุงเรื่องอะไรสัญญาอารมณ์ท่านก็มีเหมือนเราแต่ท่านไม่ติดมันก็เป็นเครื่องมือของทำไปแต่ก่อนธาตุขันนี้เป็นเครื่องมือของที่เละความคิดปรุงอะไรขึ้นมาเนี่ยที่เละบ่งการออกมาบ่งการออกมาท่านถึงกล่าวว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดจังขานธาตุสร้างข้าลาปาั ญ, ญามิญยานอเลื่อยไปเลย มันหนุนให้มันเป็นสังขารวิญญาณ น, นามรูปเรื่อยจนกระทั่งถึงชาตินี่แทนี่ท่านจะระลุบว่าเอวเมตส า, าเจวราสะาดุกกาขันฑัส่าสมุทรโยห์เตะเหล่านี้เป็นสมุทรไทยการเกิดตายทั้งนั้นนันที่ น, นี้พวพิจารณาถอนวิชาไปแล้วสังขารก็ดับอวิชา มัจจะอภิชาญตระเวนอเซียนสุริยากานิโรธาสร้างขาลานี้ลเรื่อยไปจนกระทั่งนิลโลโธโฮเตี่เหล่านี้เป็นมิมุติความดับทุกทั้งนั้นนั่นอภิชาดับเสียอย่างเดียวจนนั้นทุกทั้งหลายดับเพราะฉะนั้นสังขารที่ชิดที่ปุง่ง <c oughs> วิญญาณรับทราบในขันทั้งห้านี้จึงกลายเป็นเครื่องมือของติดที่บริสุทธิ์ไปไม่เกิดที่เลยไม่มีที่เลสเพราะขันเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อน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 ทีนี้พอจิตเริดมุดพ้นจากนี้แล้วลวอวิชาแล้วแล้วตาเววาดิดับหมดเมื่อดับแล้วกับสังขารก็ไม่มีไม่มีที่เลไม่เป็นสมุทยัยวิญญาณอะไรไม่เป็นสมุทยัยเป็นแต่เครื่องมือของธรรมแต่ท่านไม่ยึดไม่ถือทำเป็นเจ้าข อ, ของของขันนี้ท่านไม่ยึดใช้ไปถึงวันนิพพานนี้เท่านั้นแต่ที่เหลือ ย, ยึดกระทั่งวันตายไม่มีวัน ถอยละนี่ตัางกันอย่างนี้ขันเป็นขันของพระลาหน์ส่วนขันของของยิเลศนั่นมันเป็นเราเป็นเขาเป็งหมดนี้ให้พากันจํา <c oughs> ด้วยเห็นนี้เองพระลาหน์ท่านจิงไม่มีจิตไม่มีทุกข์ในจิตท่านทุกข์ในจิตไม่มีเลยตั้งแต่ขณะท่านาตัดทะลธรรมมีก็คือว่าบรมมาสุขบรมมาสุขนั้นเป็นถูกนอกสมมูลก็เป็นความเที่ยงเหมือนกันนั่น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 ให้เราตั้งหลายที่ก้าวกำลัง 9, ก้าเข้าสูมาม่มรรคผมนิพพานหรือวิมุต t นั้นให้พากันเข้าใจเอาไว้เท่านั้นแหละ <c oughs> นี่เป็นเรื่องสำคัญในกากภาคปฏิบัติมาสุดสิ้นที่ตรงนี้ต้องพิจารณาด้วยปิตาะกวนาเลื่อยไปจนกระทั่งถึงสมาธิปัญญาวิมุตตูดพ้นเป็นลำดับลำดานี่ี่เลจก็เป็นนั้นว่าหยุด ตั้งต่ที่เหลือคาสะ บ, บั้นไปจากใจแล้วพระอรหันท่านไม่ได้ทำความเพียรเพื่อละที่เหลืตัวใดไม่มีแท่านจะแสดงไว้ในธรรมว่าวุชิตังประมาจันดียังกระตังกรณียังนั้นเศรษกิจธรรมจัรท์คือการละการถอนที่เหลืการบำเพ็ญธรรมกับการถอนที่เหลืมันก็เกี่ยวโยงกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละ การบําเพ็ญธรรมหรือการละทิเลนได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั่นวุติตารมธรรมจริยังแปลว่าการธรม ร, รมจั์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําก็คือการละลกิเลนนั่นเองก็ได้ทําเสร็จแล้วแล้วนาพลังอิสตายาติกิตอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่หม่นั่นตัวเหตุที่เองพระหรหันท่านจริงไม่เคยละแจกภาวนาเพื่อละกิเลตัวใดการภาวนาของพระหรหัน ของพระพุทเจ้าดีไมด่ดีเราสู้ท่านไม่ได้นะเพราะเหตุไรทั้งๆ ท, ที่ท่านมาเลยภาวนาพลักระเลตแต่เหตุจําเป็นที่ท่านจะ บ, บําเพ็ญหรือภาวนาอย่างนั้นมีประจำขันของพระรานมีเช่นเกี่ยวข้องกับาธาตุกับขัน <c oughs> เพื่อบรรเท า, ทาธาตุขันในเอียบดต่างๆยืนเดินยืนนอนยืนนานก็ทุกเดินนานก็ทุกนอนนานก็ทุกนั่งนานก็ทุก เพื่อบรรเทากันให้อยู่ในความพอบอกพอดีในระหว่างขันกับขิตที่ครองกันอยู่นี้จากนั้นก็เข้าสู่สมาธิเพื่อสงบ อ, อารมณ์คือขันภายนอกพิจารณาร่างอัตต์้านธรรมภายในจิตใจนี่เอาอย่างพระอุเอจเจ้านั้นก็สองโลกธาตุวางอันเท่เนี่พิจารณราเลงยาดูสัตว์โลกด้วยจิตที่บริสุทธิแล้วนั้นนี่ พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพระรหันท่านกระทมเต็มภูมิของท่านพิจารณาเต็มภูมิเต็มกาลังของท่านนั่นแหละนี่มีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเพื่อบรรเทาขันประเภทที่สองเพื่อพิจารณาเรื่องอัดเรื่องธรรมข้างหลัง่วนพิจารณาท่านเองท่านไม่มีพิจารณาเกี่ยวกับสัตว์โลกดูสัตว์โลกต่างๆนี่แหละค่ะนะท่านเพื่ออยู่เป็นตุกในทิฏฐธรรม คือเวลายังครองขันอยู่ท่านเดินจงกรมนั่งสมาิภาวนาเหมือนเหล่านั้นแหละในการภาวนาในท่านผู้สิ้นเกลเล็แล้วมีสองประเภทาล่าวนี้ประเภทที่หนึ่งเพื่อบรรเทาธาตุขันบระเภทที่สองเพื่อพิจารณาจิต ก, กับธรรมทั้งหลายเกี่ยวกับสัตว์โลกทั้งหลายมีความดึกตื้นหนาบางอยางละเอียดตลอดถึงสัตว์โลกเป็ยังไงยังไงจะรู้ในเวลาท่านพิจารณานี้ แจ่มแจง้งขึ้นอันหนึ่งอันหนึ่งอยู่ธรรมดาท่านก็รู้จำธรรมดาถ้าทําพิจารณานั้นก็ยิ่งละเอยียดรอเข้าไปรู้มากเข้าไปโดยลําดับธรรดานี่ผลเนี่ยการปฏิบัติธรรมของผู้บําเพ็ญทั้งหลายขอให้พาลูกพาหลานตลอดประชาชนลูกหลานทั้งหลายจำเอาการพูดทั้งนี้เราพูดเอาเป็นแบบฉบับได้เลยเพราะล่องตาไม่สงสัยแล้ว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 ไม่อยู่ตามเว ล, เวลาเวลานั้นสิ่งเวลานี้สุดในผู้ที่เก้านิพพานอยู่เมืองอินเดียเราอยู่เมืองไทยนี่ไม่มีหวังแล้วนั่นมันชิดไปอย่างนั้นนี่ยมันไม่ใช่ก า, าลิโกมันเป็นกาลีโกคือเอาการเอาเวลามาเหยียบมาบีบปี้สีไฟการบำเพ็ญธรรมมันก็เข้ากันไม่ได้ยี่เหลกมันไม่เห็นมีเวลาเวลาความโลภเกิดได้ทุกเวลาความโกรธราคาตัญหาเกิดได้ทุกเวลานั่น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 <c oughs> ตัวเองด้วยอัจด้วยธรรมตลอดเวลานี่วันนี้ก็ได้แสดงถึงอักธรรมให้บรรดาพระลูกพัหลานทั้งหลายได้ยินได้ฟังในอักธรรมสมกับาศาสน า, า, าพุทธของเร า, าศาสนธรรมของเหล่านี้คือตลาดแห่งมรรคผลมิผรานตลอดมาและจะตลอดไปถ้าผู้ปฏิบัติ ต, ตามสวคารธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนี้มีอยู่ มากน้อยเพียงไรผู้ทรงมากทรงผลจากผลอย่างการปฏิบัติของตนจากเหตุอย่งการปฏิบัติของตนจะได้รับผลเป็นที่พอใจตลอดกันตลอดไปตามกําลังความสามารถของตนนั่นแหละวันนี้การแสดงธรรมให้บรรดาถ้าลูกท้าหลานทาั้งหลายฝั่งก็คิดว่าจะพอได้แนวทางให้พากันตั้งใจปฏิบัติอ ย, ย่าสายแสหาเรื่องโลกอย่างสารหาฝืนหาไฟ ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสมกับเราเป็นบรรพชิตคือนักบวชบวชแล้วหน้าที่ของเรามีการชําระที่เด็ดตัญหาชําระชั่วด้วยการทําดีตลอดไปนี่ถูกต้องนะอย่าเสะาสะอย่าแสวงหาเรื่องที่เด็ดตัญหามันเต็มหัวใจของเราอยู่แล้วให้ชําระศาสารออกไปให้บาๆทาจะได้งอกเงยขึ้นมาใจของเราจะมีความสงบร่มเย็ดถ้าเป็นผลมากกว่านั้นก็ เป็นมหามงคลแจกตนด้วยแจกโลกทั้งหลายที่เขาเขากูฉาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าพุทธทางสนามกระฉามีธรรมังสังทางสนามกระามีนี่เป็นมหามงคลแจกชาวพุทธของเราเพราะท่านได้บัพเพินมาแล้วอย่างเต็มเมตเต็มหน่วยและมาแจกจ่ายให้ประชาชนจัดโลกทั้งหลายได้รับความสุขความเจริญนี่ก็ขอให้บรรดาข้าลูกพ้าหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติให้เป็นที่มงคลแจ่ตนให้มีความมิตรายต่อบาทต่อกรรม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 ที่พระพุทธเจ้าฝาทานไมาแล้วว่าทำมิไหนนั่นแหละจะเป็นศาสตาของเธอทั้งหลายแทนเราตาถาคขเมื่อเราตายไปแล้วนี่เมื่อเป็นเช่นั้นใครเป็นผู้เขารลบทำมิไหนเทิดทูนทำมิไหนด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นแหละคือมีศาสตราปกครองไปตลอดเลยผู้ใดไม่มีทำมิไหน แม้หัวล้นล้นอย่างพวกพาของเราก็หัวล้นเฉยๆไม่มีใครจำมีหัวล้นพาเนี่ยเขาจำมีนะทำไม่ดีไม่ถูกนี่ให้จำมนะ า, า, า, านะบรรดาพระลูกพรหลานอยากมีศาสดาประจําตนขอให้มีทำมีวิไงประจําตนจะมีศาสดาประจําเราไปที่ไหนก็ไปกับศาสดาไปกับประพุตธ เ, เจ้าแล้วจะเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามัน่นคงการแสดงธรรม ก็เห็นว่าสมควรแจกทานเวลาและทักสันที่อำนวยเพียงแค่นี้ยินงขอความสวัสดีเป็นมงคลตรงมีกับแก่บรรดาพระบุตชายหลานทั้งหลายตลอดประชาชนพี่น้องชาวพูทั้งหลายโดยทั่วกันเธอ